คิดเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าคิดถึงพระราหุลกับคิดถึงพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายขนาดที่ว่าคิดฆ่าคิดฆ่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คิดเมตตาพระเทวทัตเท่ากับเมตตาพระราหุลไม่แตกต่างกันเลยแต่วิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันเข้าใจหจิตเนี่ยปรารถนาให้เขามีความสุขเสมอกัน แต่วิธีปฏิบัติสมควรแก่เหตุสมควรแก่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จะคนนี้กลางมาต้องตบตบหัวซะหน่อยให้มันลดๆดลงคนนี้มาแบบหมดแรงกําลังท้อแท้ก็ต้องให้กําลังใจให้ฟูขึ้นมาอีกหน่อยให้มีกําลังใจมากขึ้นหน่อยวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ตั้งจิตไว้ว่าจะมีเมตตาเสมอกันเวลาเขามีทุกข์ เมตานั้นจะแปลงเป็นกรุณาจะแปลงมาเวลาเขามีสุขสําเร็จเมตานั้นจะแปลงเป็นมุทิตาแต่เมตตาการุณามุทิตาจะไปตรงทางต้องมีอุเบกขาเข้ามาคุมผมวิหาร4ข้อเนี่ยนะราได้ยินกันบ่อยๆเนะเนะมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา4ข้อเนะี่ยข้อที่ จะบกพร่องก็คือข้อที่4อุเบกขาอุเบกขาเนี่ยวิธีเจริญ อ, อุเบกขาเดี๋ยวเอาไล่ไปก่อนนะวิธีเจริญเมตตาคือให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขนะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวรต่อกันและกันจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนของตนต น, ตนของตนคือแต่ละตนแต่ละตนนี่แหละให้ปลอดภัย พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเวลาเจริญกรุณาเจริญกรุณาคือเจริญตอนที่เขามีทุกข์ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ตรงนั้นเถอะเวลาเจริญมุทิตามุทิตาคือเขาได้เขาได้อะไรมาที่เขาต้องการหรือสำเร็จขอให้เขาอย่าปราศจากสิ่งที่ได้นั้นเลยคือดีใจด้วย ขอให้สิ่งที่เขาได้นั้นจงอยู่กับเขาอย่าได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักอันนั้นเลยสิ่งที่ได้มาและดีใจอันนั้นเลยส่วนการเจริญอุเบกขาไม่ใช่เรื่องได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องได้หรือไม่ได้ตอนกรุณาคือเจริญตอนนี้เขาไม่ได้ตอนเจริญวิตาคือเจริญเจริญตอนนี้เขาได้แต่อุเบกขาคือ ทุกๆคนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกาเนิดต้องรับผลของกรรมนั้นทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากได้รับผลของกรรมนั้นใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่ววิธีเจริญอุเบกขาให้มาถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมและอุเบกขานี้ จะทำให้เราเจริญเมตตาอย่างถูกต้องไม่ใช่เจริญเมตตาอย่างลำเอียงเราจะได้ยินคำว่าเมตตากรุณากันบ่อยแต่ไม่ค่อยมาถึงมุทิตาอุเบกขายิ่งหายากเลยมุทิตาเนี่ยเราทำกันง่ายๆเช่นว่าเห็นใครทำดีแม้เขาจะไม่ได้ต้องการไม่เขาไม่ต้องการนะเช่น เช่นที่นี่เช่นที่นี่เช่นบ้านจิตสบายที่นี่ทํากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทําให้คนมีปัญญาทําให้คนเข้าใจวิธีการเจริญสติทําให้คนเข้าใจทางที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกอย่างนี้นะเห็นกิจกรรมที่นี่ดีใจดีใจเขาเขาด้วยอาจจะไม่รู้ที่นี่มีบริจาคก็พอถ้าเป็นวัดอะสมมติเป็นวัดนะเป็นวัด วัดเนี่ยเป็นที่ดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทำให้ผู้ที่ต้องการออกบวชมีทางที่จะไปบวชมีทางที่จะใช้เวลาไปศึกษาพระพุทธศาสนามีทางที่จะไปศึกษาคำสอนของพระธองค์ศึกษาแล้วมีเวลาที่จะปฏิบัติมีสถานที่ที่จะปฏิบัติเห็นสถานที่คือวัดนั้นมีประโยชน์เราก็สนับสนุนทั้งทงที่วัดนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไร นี่ก็มีมุติตาไปทําบุญไปหยอดตู้หรือจะไปเห็นเขาสร้างกุฏิก็ร่วมด้วยอย่างงี้นะเห็นก็ทําทางจงกรมร่วมด้วยเห็นเขเปลี่ยนหลังคามุงหลังคาใหม่ร่วมด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าจริงๆแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ไปดีใจด้วย <c oughs> ขอร่วมด้วยคืออย่างนี้ทําบุญด้วยมุติตา <c oughs> ดีใจด้วย <c oughs> อย่างเงี้ยนะแต่อุเบกขาจะมาเป็นตัวคุม คือถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมมั่นคงดีแล้วเนี่ยนะจะไม่ไปเมตตาแบบผิดผิดจะไม่ไปกรุณาแบบผิดผิดจะไม่ไปมุทิตาแบบผิดผิดกรุณาแบบผิดผิดเมตตาแบบผิดผิดเช่นลูกลูกโตแล้วลูกโตแล้วแต่งงานแล้วแม่ก็ยังเมตตา เมตตาแบบอะไรตามไปดูแลสมมตินะเขาแต่งงานแล้วแยกเรือนแยกเรือนไปนะตามไปดูแลไอ้นั่นต้องทําอย่างนั้นไอ้นี่ต้องทงํานี้ด้วยใจใจเมตตานะใจกรุณาด้วยเกรงว่าลูกเนี่ยจะไม่มีคนคอยดูแลจัดการบ้านแต่ในใจลูกลำคาญ <c oughs> เนี่ยนะจู้จี้จุกจิกเกินความจําเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญเมตตา โดยไม่วางอุเบกขาเขามีความรับผิดชอบแล้วมีมีอะไรมีความเติบโตพอสมควรที่จะไปรับผิดชอบตัวเองได้แล้วควรจะวางอุเบกขาเด็กควรจะหัดเดินได้แล้วมัวแต่อุ้มอยู่เด็กก็ไม่ได้เดินนะมีเรื่องที่เขาเล่ากันไม่รู้จริงหรือเปล่านะ มีคนคนหนึ่งไปเฝ้าดูตัวดักแด้ของผีเสื้อที่มันกําลังจะออกจากหลังเห็นแล้วสงสารมันเคยเห็นไหมหนังแด้ผีเสื้อนะนะนักแด้ผีเสื้อตัวใหญ่ๆเนะี่ยดักแด้จะหลังใหญ่ผีเสื้อมันก็จะค่อยๆออกมาจากจากหลังมันก็ต้องกัด ทำลายรังอันนั้นของตัวเองคนนั้นไปดูแล้วสงสารโอ้กว่าจะเป็นผีเสื้อได้เนะี่ยากนะกว่าจะแวหวกรังเหนียวๆแข็งๆอะไรเนี่ยนะยากช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยเอากันกายไปตัดตัดรังให้มันออกง่ายๆออกง่ายๆมากเคาะรังด้วยเคาะรังให้มันออกมาปรากฏผีเสื้อก็กลายเป็นผีเสื้อ ง, ง่อย รู้จักไหมธรรมชาติของมันเนี่ยต้องออกแรงเพื่อสยายปีกแรงที่จะสยายปีกได้ก็จากการที่พยายามออกจากรังนั้นให้ได้ <c oughs> พอไม่ได้พยายามออกจากรังนะสารที่อยู่ตรงเนี้ยในในตัวเนี่ยและนำตัวเนี่ยมันไม่ส่งไปหาปีกปีกก็เลยง่อยงออย่างเงี้ย ไปลองไปช่วยมั้ยอย่าไปช่วยนะธรรมชาติก็มันต้องออกแรงเพื่อส่งสารนั้นไปตามท่อของปีกพอสยายปีกได้แล้วคราวเนี้ยมันจะกระพือปีกได้ตอนนี้นะอย่างเงี้ยนี่แหละกระพือสันส่นๆๆๆไปไหนไม่ได้กรุณาผิดที่เด็กเหมือนกันนะเด็กเนี่ยนะ ทำกันบ้านไม่ได้ช่วยเด็กเลยคิดไม่เป็นเลยใช่ไหมช่วยทำให้ทาให้ทาให้ครูก็เต็มให้ดาวถูกถูกทุกข้อพ่อเก่ง <c oughs> หรือแม่เก่งนีนะเด็กไม่รู้เรื่องเลยยิ่งเดี๋ยวนี้นะทากันบ้านไม่ได้นโน่นไปหาครูครูพิเศษ ถ้าครูพิเศษยังพอคขายัช่วยนะครูพิเศษอาจจะมีจิตวิญญาณของครูสอนให้เขาเข้าใจแต่ถ้าทําให้หมดเลยเนี่ยเรียกว่ากรุณาผิดที่ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเด็กถ้าทําผิดทํากันบ้านผิดจะเรียนรู้สิ่งที่ผิดและเข้าใจว่าอ๋อที่เราทํานั้นเข้าใจผิดต้องให้เขา เรียนรู้สิ่งถูกบ้างสิ่งผิดบ้างด้วยตนเองไม่ใช่ไปทำถูกแทนเขานี่นะเรียกว่าต้องเข้าใจวิธีวางอุเบกขาให้ถูกต้องถ้าเขาได้รับผลคือการทำโทษก็ต้องสอนให้รู้ว่าทีโ่โดนทำโทษนั้นเพราะเหตุไหไรใช้สถานการณ์ทุกทุกอย่างสอนให้เขาเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้เพราะเขาจะต้องโต ไปอยู่ในโลกในสังคมนี้ด้วยตนเองให้ได้เราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่ไปตามคุ้มครองตลอดเวลาอย่าง น, น้อยเราต้องตายก่อนแน่แน่แนเอ๊ะแน่หรือเปล่าไม่แน่นะลูกอาจจะตายก่อนแต่เราถ้าโดยอายุไขไม่มีโอกาสที่จะไปดูแลตลอดเวลาแม้แต่เราจะเก่งแค่ไหนถ้าลูกว่ายน้าไม่เป็นเราว่ายน้าเก่งเป็นนักกีฬาว่ายน้าทีมชาติ แล้วไม่สอนลูกกะว่าถ้าลูกตกน้ำํำยังไงเราก็ช่วยได้เราจะอยู่กับลูกตอลอดเวลาไหมไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ถึงจะอยู่ติดติดกันในเปาะริมแม่น้ำนี่นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหล่นลงไปช่วยทันไหมไม่แน่นะให้อยู่ติดติดกันเนี่ยยังช่วยไม่ไม่แน่ว่าจะช่วยทันหรือเปล่าถ้าเด็กนั้นว่ายน้ําเองไม่เป็นใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะมีกรุณา ต้องกรุณาให้ตรงคือเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมถ้าลูกฝึกมาดีลูกจะมีชีวิตในสังคมนี้ได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยต้องนต้องยอมให้ลูกลำบากต้องยอมให้ลูกลำบากเพื่อเรียนรู้ชีวิตและเพื่อเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของ การที่เราเจริญอุเบกขาไม่จะเจริญแต่เมตตากรุณาเมตตากรุณาอย่างนี้คนอ่อนแอต้องให้คนเข้มแข็งหลักของอุเบกขาไม่ได้มาในเรื่องของพรหมวิหารสีเท่านั้นวันนี้พูดหลายเรื่องนะ <laughs> อุเบขาเนี่ยเป็นเวทนาก็มีเวทนาเวทนาเนีมม่มีกี่อย่างมีกี่อย่างข้อกอข้อกอเวทนามีสองอย่างข้อขอเวทนามีสามอย่างข้อคอเวทนามีห้าอย่างข้องอเวทนามี หอย่างมีอะไรอีกมีอีกไหมใครเลือกข้อไหนข้อกมีสองอย่างใครเลือกข้อขอมีสามอย่างใครเลือกเยอะมากนะแล้วมีอะไรข้อคอห้าอย่างใครเลือกบ้างไม่มีใครเลือกเลยเหรอกแล้วนะข้ออะไรเมื่อกี้ข้อจอข้อจอ <c ười> ไม่รู้ 6อย่างมีไหมใครเลือกหกอย่างถูกทุกข้อถูกทุกข้อเวทนาจะแบ่งแบบไหนก็ได้เวทนานะถ้าเป็นสองอย่างสองอย่างทายสิแบบไหนบ้างเ อ, อใช้ได้เวทนาทางกายกับเวทนาทางใจถ้าสามอย่างละ่ะด้ยนี่หมูเลยเพราะว่าเลือกเยอะ สุขทุกข์และเฉยเฉยถ้าห้าอย่างอ้าวอาไม่มีใครเลือกเลยใช่ลืมไปถ้าหอย่างก็คือสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจแล้วก็เฉยเฉยถ้าหอย่างสุขทางกายทุกทางกายอทุก ข, ขมาสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ทางกายสุขทางใจทุกทางใจแล้วก็อุเบกขา มีอีกอย่างหนึ่งน่าสนใจนะเวทนาเนี่ยน่าฟังเหมือนกันควรจะฟังด้วยเพราะว่าเวทนาจะเกิดขึ้นกับเราทุกขณะจิตนะถ้าเราเข้าใจเรื่องเวทนานะจะพัฒนาไปเร็วมากเลยเวทนาเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสุขทุกข์และอุเบกขาเนี่ยนะจะมีแบ่งได้อีกสองแบบมีคำศัพท์ด้วยนะ ใครมีกระดาษจดไว้หน่อยก็ได้ <c oughs> <c oughs> เคหะสิตะ <c oughs> หลับตาปีเลย <c oughs> เคหะรู้จักไหมเคหะบ้านเรือน <c oughs> สิตะอาศัยเวทนาอาศัยบ้านเรือนก็คือเวทนาที่อาศัยเรือน <c oughs> เข้าใจความหมายไหมเวทนาอาศัยเรือนก็คือเวทนาที่ต้องเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆ เรือนคือร่างเนี้ยต้องอาศัยร่างต่อไปเรื่อยๆเคหสิตะเวทนาที่เป็นเคหสิตะเวทนาที่เป็นเคหสิตะก็มีสุขทุกข์และเฉยๆสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขานี่เน้นทางใจเน้นทางใจนะสมานัตถ้าเป็นทางใจเนียคำสาปเนี้ยจะเฉพาะเลยคือสมานัต ด้ยจากโสมนัสไหมอยู่ที่ไหนลาดดำเนินโสมนัสคือความสุขทางใจโทมนัสคือความทุกข์ทางใจอุเบขาคือความวางเฉยหรือเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขทางใจ3มอย่างนี้ที่เป็นเคหะสิตะก็มีคือสุขทุกข์ที่อาศัยกาม สุขทางใจทุกทางใจอยากดูไม่ได้ดูเป็นทุกอยากฟังไม่ได้ฟังเป็นทุกอยากดูแล้วได้ดูเป็นสุขสุขทางใจและอุเบกขา อ, อุเบกขาเป็นยังไง เ, เคยมีเคยมีไหม <laughs> เคยทุกคนแหละ <laughs> เคยนะอุเบกขาเนี่ยคืออารมณ์ที่เข้ามาแบบเบาๆไม่น่าสนใจเป็นไปได้ไหมนั่งรถไปเนี่ย เห็นเห็นอะไรผ่านไปไหมเฉยเฉยไม่สนใจแต่ถ้าเป็นดาราเราจะเอะสนใจถ้ามันสนใจในทางเป็นน่าพอใจก็กลายโสมนัดถ้าไม่น่าพอใจก็กลายเป็นโทมนัตคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่อุเบกขาเนี่ยจริงๆงมีบ่อยมีนานด้วยมีบ่อยครั้งด้วยแต่ไม่ค่อยเห็น จะเห็นได้ถ้าเราจะรู้จักสังเกตสักหน่อยคือพอมีอะไรกระทบตาคือเห็นอะไรเข้าแล้วมีความสุขให้บอกตัวเองเลยว่าเมื่อกี้นี้มันเฉยเฉยก็ใจ ไ, ไหมเฉยนะ่ะมีอยู่เฉยน่ะมีอยู่นะแต่ไม่รู้ตัวพอมีความสุขขึ้นมาแสดงว่าเมื่อกี้มันเฉยใช่ไหมเห็นอะไรแล้วเฮ้ยนี่แสดงเมื่อกี้มันเฉย แล้วพอเห็นปุ๊บโกรธเลยเข้าใจไหมแต่เราไม่ค่อยรู้แต่เราไม่ค่อยรู้ถ้ามารู้ตรงนี้สักหน่อยนะว่า ม, มีเฉยอยู่มีเวทนาเฉยอยู่สติของเราจะเกิดบ่อยขึ้นหรืออย่าง น, น้อยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาได้ง่ายขึ้นไม่งั้นก็โกรธเห็นแต่ความโกรธใช่ไม้มบางทีไม่ได้เห็นตัวเองโกรธนี่นั่นไม่ดี ทำไมทนจังทําไมด้านจังอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันมันอย่างนี้อย่างงี้อย่างเงี้เห็นแต่คนอื่นไม่เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นในตัวเองหรือไม่เห็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในตัวเองถ้าเรารู้จักว่าจริงๆแล้วเวทนามีสามอย่างนี้ทางใจด้วยซ้ําไปนะไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องพูดถึงทางกายเลยนะนี่สําหรับคนดูจิตสำหรับคนดูจิ ต, <c oughs> น, จตนะเวทนาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมีสุขเห็นอะไรแล้วมีความสุข แสดงว่าเมื่อกี้มันเฉยเฉยดับสุกเกิดมีอะไรเห็นอะไรก็เป็นทุกข์แสดงว่ามิกมันเฉยเฉยดับทุกข์เกิดเข้าใจไหมแล้วจริงๆแล้วเฉยเฉยเนี่ยเกิดบ่อยเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่เป็นเวทนาอุเบกขาเนี่ยนะเกิดบ่อยให้สังเกตตรงนี้ด้วยถ้าเวทนาเหล่านั้นอาศัยเรื่องตาหูจมูกลิ้นและกาย อย่างที่อยากได้และไม่สมหวังอยากได้และสมหวังอย่างนี้นะวนเวียนอยู่กาการเกิดในสังสารวัตต่อไปเป็นเคหะสิตะเวทนา <c oughs> ก็เป็นโสมนัสเคหะสิตะโทมนัสเคหะสิตะอุเบกขาเคหะสิตะสมอย่างเข้าใจไหมศัพท์ ย, ยากหน่อยนะแต่ฟังแล้วน่าจะเข้าใจนะ เคหะคือเรือนสิตะคืออาศัยอาศัยเรือนนี้เกิดดับต่อไปแสดงว่ามีเวทนาแบบไม่อาศัยเรือนไม่อาศัยเรือนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นรั์ว่าเนกขมมะเคยได้นี้ไไเนกขมมะออกจากเรือนเวทนาแบบเนกขมมะเอเป็นยังไงเวทนาแบบเนกขมมะต้องไปใส่ชุดขาวไหมไม่ต้อง หรือให้คนอื่นสายจูดข่าวแล้วเราไปสัมผัสเวทนาไม่ใช่เวทนาแบบเน่ฆัมมะ <c oughs> <c oughs> ก็มีแบบโสมนัสโทมนัสและอุเบกขาน่าสนใจนะน่าสนใจมากจะเห็นโสมนัสแบบเน่ฆัมมะได้ก็อาศัยดูเวทนาที่เป็นเคหะสิตะนั่นแหละเวทนาอาศัยเรือนเวทนาที่จะคอยเกิดไปเรื่อยๆในสังสารวัฏนี่แหละแต่เห็นแล้ว เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจะเห็นได้ก็คือเราคอยสังเกตมันเมื่อกี้ไม่ทุกข์แล้วมันทุกข์นี่จากการที่เรารู้จักว่าเมื่อกี้มันมีอุเบกขานะแล้วมันมาเป็นทุกข์เมื่อกี้มันเป็นอุเบกขานะแล้วมันมาเป็นสุขแล้วจะดับไปแล้วเห็นเวทนาเกิดเห็นเวทนาดับเห็นสุขเกิดเห็นสุขดับเห็นทุกข์เกิดเห็นทุกข์ดับทางใจ ไม่ได้เรื่องเรื่องเรื่องกายนะเน้นทางใจเพราะสับคือโสมนัสโทมนัสเห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้นะพอเห็นไตรลักษณ์คือลักษณะของเวทนาที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างหรือทนอยู่ไม่ได้บ้างหรือมันเป็นไปเองบ้างอย่างนี้นะเห็นแรกแรกรู้สึกไงดีใจฉันเห็นแล้วโอ้ไตรลักษณ์อย่างนี้เอง นี่คือสุขเวทนาเข้าใจไหมดีใจอย่าทิ้งมันไปดูมันด้วยเคยไหมเคยเห็นไหมแม้แต่คิดก็ได้นะคิดเห็นว่ามันไม่เที่ยงดีใจฉันปฏิบัติพอจะก้าวหน้าแล้วอย่าให้มันเกิดมาแล้วผ่านไปโดยที่เราไม่รู้มันนี่ก็คือเวทนาที่เป็นสุขเป็นสุขแบบ เนกขมมะคือจะพ้นถูกด้วยไม่ธรรมดานะให้ดูมันด้วยอย่าให้มันสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเกิดมาแล้วไม่เห็นมันน่าเสียดายมันเกิดมาแล้วนะั้นไม่เห็นมันนะน่าเสียดายดูมันหน่อยพอเห็นเป็นตรายลักเกิดขึ้นมาแล้วนะดีใจให้รู้ด้วยนี่นะเป็นสุขเวทนาแบบโสมนัสโสมนัสเวทนาแบบเนกขมมะสิตะ สนุกนะถ้าดูเวทนาเป็นเนื้อสนุกมากเลยและโทมนัตอะโทมนัตแบบเน่ขมัชเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นกูก็ดูมานานแล้วนะเป็นไหมไอ้ไตรักเนี่ยนะกูก็ดูมานานแล้วทาไมไม่มีมรรคผลสักทีเป็นไหมขณะที่คิดอย่างนี้เป็นโทมนัตไม่เป็นสุข ใช่ไหมให้รู้ด้วยว่าโทมานต์เกิดขึ้นอาศัยเนฆามะด้วยเป็นเนฆามะโทมานต์เนฆามะสิตะเห็นไตรลักแล้วแต่มีทุกข์เป็นไปได้ไหมเป็นเป็นแหละทำไมฉันไม่สําเร็จสักทีหรือเห็นท่านที่เราเชื่อว่าสําเร็จแล้วเราทําไมไม่เป็นอย่างท่านสักทีนี่นะเป็นไปได้ไหมทั้งโสดาบันก็เป็นได้นะ สกีทาคาก็เป็นได้พระอนาคาก็เป็นได้เวลาเทียบกับพระอาหารหันต์แล้วทำไมเราไม่เป็นอย่างท่านสักทีเป็นโทมณนัตแบบเนกขมมะสิตะโทมนัตคือเสียใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์นะยังมีทุกข์อยู่ให้รู้ทันความทุกข์ที่เกิดนั่นด้วยเป็นเครื่องยืนยันว่ายังมีงานทาต่อน่อุเบขาเนคขมมะสิตาเนี่ยเลอดักยากเลยนะ มันต้องเห็นสุขบ้างทุกบ้างจนชินจนดิน้นดิ้นเต็มที่แล้วจนไม่รู้จะดิ้นยังไงแล้วจนวางแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านตรับเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นคู่ท่านให้เอาโสมนัสที่เป็นเนขัมมะเนี่ยมาแกห้หรือมาเป็นคู่ปรับของโสมนัสที่เป็นเคหะสิตะ คือถ้าเรามีแต่โสมนัสดีใจรื่นเริงระลึกรลิกรรีแบบอาศัยกรมทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกนับชาติไม่ท้วนอย่าพอใจกับความสุขอันไร้สาระอย่างนี้มีความสุขด้วยการเห็นไตรลักษณ์ดีกว่า เห็นว่ามันเกิดดับแล้วดีใจกระดีกระดาดีกว่าดีใจจังฉันเห็นไตรลักษ์แล้วอยางงี้ดีกว่าแม้จะดูหน่อมแนมสักหน่อยก็ยังดีเข้าใจไหมเพราะว่ามันเป็นเหตุให้พ้นทุกไตรลักษ์ที่เห็นเนี่ยจะเป็นเหตุให้พ้นทุกแม้ขณะนั้นจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ดูดีดีกว่าสุขเวทนาที่ดูดารา เห็นดารายิ้มให้แล้วดีใจไปเฝ้าดาราดาราไปไทายโฆษณาซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาได้ตังเราเสียตังไปดู mm hmm. เสียเวลาอะไรเงี้ไ mm hmm. ราสาระพระพุทธเจ้ามองว่าไราสาระ mm hmm. ถ้าทำสาระให้เกิดพัฒนาเวทนาขึ้นมาจากเวทนาที่อาศัยเกิดดับอาศัยเรือนที่ต้องตายต้องเกิดต้องตายต้อ ง, องเกิดต้องตายอีกนับชาติไม่ท้วเนี่ย พัฒนามาเป็นเวทนาที่เป็นสุขจากการเห็นตรลักษณ์ท่านเปรียบอีกคู่หนึ่งโท ม, มานัตคืออยากได้แล้วไม่ได้อยากได้อยากดูแล้วไม่ได้ดูอยากดมแล้วไม่ได้ดมอยากฟังแล้วไม่ได้ฟังอย่างนี้นะอยากอยู่กับคนนี้แล้วไม่ได้อยู่จะแต่งงานกับคนนี้อ้าวเคยมีเมียแล้วอย่างนี้เสียใจหรือ อยากจะอยู่เขานานๆเขารีบหนีไปก่อนหมดอายุเร็วโปรโมชั่นหมดอะไรเงี้ยนะเสียใจอย่างนี้ว น, น, นเวียนอยู่กับเคหะสิตะอาศัยเรือนเพราะว่ามันวนอยู่ในกามคือตาหูจมูกลิ้นและกายให้พัฒนาให้โทมานัสเพราะเห็นไตรลักษณ์แล้วรู้สึกเสียใจว่าเรายังไม่ได้มรรคผลยังดีกว่า เข้าใจหให้มีโทมนัตแบบเห็นไตรลักษณ์แล้วเสียใจดีกว่าวนเวียนอยู่กับการดูแล้วไม่ได้อยากดูแล้วไม่ได้ดูอยากฟังไม่ได้ฟังอ ย, อยากอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ด้วยอย่างนี้เรียกว่าไรสาระถ้ามีโทมนัตแบบเห็นไตรลักษณ์แล้วไ ม, ไ, ไม่ได้ดังใจอย่างนี้ดีกว่าท่านให้เอาอย่างนี้นะพัฒนาจากเคหสิตะมาเป็นเนฆมสิตะ วันนี้พูดคําศัพท์ถ้าพูดลอยๆนี่จะเข้าใจยากถ้าพูดไปอธิบายด้วยน่าจะเข้าใจอยู่นะอธิบายอีกอย่างหนึ่งอีกคู่หนึ่งอุเบกขาแบบแบบอะไรเคหะสิตะไม่ได้เรื่องเลยนะอุเบกขาแบบเคหะสิตะเนี่ยคือเฉยๆแล้วไม่รู้ตัวแล้วเป็นบ่อย พัฒนาใหม่พัฒนาใหม่ให้เป็นอุเบขาแบบเนฆามะสิตะแต่จะพัฒนามาได้เนี่ยนะต้องพัฒนาคู่อีกคู่หนึ่งก่อนเราพัฒนาจากโสมนัสแบบเคหะสิตะมาเป็นโสมนัสแบบเนขามะสิตะบ้างแล้วเนี่ยนะมันมีบ้างนะไม่ใช่ตลอดนะมีบ้างพัฒนาจากโทมนัสแบบเคหะสิตะ มาเป็นโทมนัสแบบเนคข ม, มัสิตะบ้างมันไม่ตลอดหรอกเพราะเราบางทีก็คลุกอยู่กับโลกบ้างแต่ให้มันมีในการมองในแง่มุมของไตรลักษณ์อยู่บ้างพอพัฒนานี้ได้แล้วเคยเห็นแบบเนคข ม, มัสิตะทั้งโสมนัสและโทมนัสแล้วเนี่ยท่านให้พัฒนาจากโทมนัสมาเป็นโสมนัสด้วยจากโทมนัสแบบเนคขมะสิตะมาเป็นโสมนัสแบบเนคข ม, มะสิตะ ไม่ให้ไปจมอยู่กับการบ่นว่าตัวเองและท้อถอยนะเพราะว่ามักผลไม่ได้มาจากการบ่นว่าตัวเองมักผลมาจากการมีสติรู้สภาวะที่เป็นจริงดังนั้นเมื่อมีโทมนัตเกิดขึ้นจากการเห็นไตรลักษณ์แล้วให้รู้ทันกับโทมนัตอันนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นธรรมะ เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสเคยเคยทำวัดเย็นไหมมีคำสวดในบทอุทิตบทอุทิตสุกุศนะบทกลวดน้ำเย็นสันเลโขวิริยมหินาเคยสวดไหมสันเลโขคือเป็นเครื่องขัดเก่ากิเลส สันเลขาคือขัดเกลวธรรมะของพระุธองค์เนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลวกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติมากขึ้นย่อมยิ่งขัดเกลวขัดเกลวไปแล้วย่อมจะมีสุขมากขึ้นเพราะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตยิ่งรู้ทันบ่อยๆยิ่งขัดเกลวมีสติรู้ทันบ่อยๆยิ่งขัดเกลวขัดเกลวไปแล้วทุกที่เคยมีมากมีบ่อยมีน้อยลงสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้น ให้พัฒนาจากทุ ก, ท ก, ทกคือโทมนัสที่เป็นเนคขมมะสิตะเนี่ยสามารถพัฒนาได้นจนเป็นโสมนัสแบบเนคขมมะสิตะเห็นมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆอย่างนี้นะไอท้ที่จ่อมจ่มจ่มจมในภาษาอีสานแปลว่าบ่นใช่ั้ยบ่นกับตัวเองเนี่ยบ่นไปเรื่อยๆมันเลิกบน่นมันจะคอยดู จะเห็นอยู่เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆจะมีความชินมีความเคยชินอีกแบบหนึ่งเราเคยชินกับการบ่นบ่นคนอื่นแย่บ่นตัวเองก็แย่บ่นไปแล้วมีทุก็ดูทุกที่เกิดขึ้นบ่นไปแล้วมีทุก็ดูทุกที่เกิดขึ้นดูอย่างงี้นะความเคยชินที่จะไปบ่นคนอื่นมาที่แรกๆจะบ่นตัวเองดูไปบ่อยๆบ่นไปบ่นมาจะมีความเคยชินที่จะดูทุกขกรรมฐานทางใจที่เกิดขึ้น ทุกครั้งที่มีทุกขเมตนาแล้วเห็นทุกขเมทนาเป็นอกุศลอกุศลที่มีสติเข้าไปดูแล้วกลายเป็นกุศลทุกครั้งที่มีสติดูอกุศลขณะที่มีสตินั้นเป็นกุศลขณะที่กลังเจริญวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็มีอกุศลเข้าแทรกตอนที่ว่าเห็นแล้วไม่ได้ดั่งใจ ทำไมฉันไม่ได้สําเร็จมรรคผลสักทีขณะที่คิดนั้นเป็นอกุศลแต่อาศัยที่เห็นไตรลักษณ์ที่เป็นการเจริญปัญญาแท้ๆเลยพลิกมาเป็นอกุศลแล้วก็พลิกกลับไปใหม่มีสติดูมันกลายเป็นกุศลเกิดขึ้นมาและกุศลที่ที่เราเปได้ไปดูบ่อยๆดูบ่อยๆเป็นเครื่องขัดเกลาเครื่องขัดเกลานี้เป็นเครื่องที่จะยืนยันว่าเส้นทางของการปฏิบัติแบบเจริญสตินี้ จะต้องมีสุขมากขึ้นเรื่อยๆทุกขที่มีอยู่นั้นพอเห็นบ่อยๆจะมีสุขมากขึ้นเพราะพลิกจากอากุศลเป็นกุศลอยู่เสมออย่างน้อยๆแม้ไม่มีสุขก็ไม่ใช่ทุกขมันจะเป็นเฉยๆอุเบกขาแล้วมาดูแล้วมา ด, ดมมูดูจนมันยอมดูจนมันยอม เห็นไตรลักษณ์แล้วก็มีสุขบ้างเห็นไตรลักษณ์ก็มีทุกข์บ้างเห็นไตรลักษณ์อีกเห็นอีกเห็นอีกแสดงว่าต้องเห็นบ่อยๆไตรลักษณ์ไม่จะเห็นทีเดียวแล้วบรรลุทะลุปร้องไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเรามันพวกเนยยะเนยนยะไม่ใช่นะเนยยะเนยยะคือต้องฝึกเป็นพวกที่ต้องฝึกไม่ใช่อุคติตันยูฟังปุ๊บบรรลุปั๊บไม่ใช่วิปจิตันยูคือผู้ที่ต้องฟังบ่อยฟังมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วบรรลุ ท่านทำท่านทำมาก่อนท่านฝึกมามากแล้วรออีกนิดเดียวฟังธรรมอีกนิดเดียวท่านบรรลุหรือฟังธรรมอีกหน่อยนึงท่านก็บรรลุแต่พวกเราเนี่ยทุนมันน้อยนะฉะนั้นต้องฝึกเยอะๆเห็นไตรลักษณ์ทีเดียวมันไม่บรรลุเห็นอีกเห็นไปแล้วไ ม, ไม่บรรลุเห็นอีกเห็นแล้วทำไมไม่บรรลุสัทีดูโทมนัตสเวทนาที่เกิดขึ้น อย่าโม่บนนานอย่าบนา น, าบนานอุเบกขานะทำแล้วกลายเป็นว่าทำคำว่าอุเบกขาเนะี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญต้องพัฒนาอุเบกขาเวทนาให้เกิดมีบ่อยๆแต่จะบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้คือจเจริญสติดูสุขบ้างทุกบ้าง มันเริ่มมาจากดูสุขที่อาศัยกามคือเคหะสิตาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆตัวที่จะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายคือคอยสังเกตดูว่ามันมีอุเบกขานะบางทีเราเห็นสุขแล้วไปดูแต่สุขมันเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงคิดนำหน่อยก่อนก็ได้คิดนาหน่อยก่อนว่าที่สุขเห็นอยู่เนี่ยเพราะเมื่อกี้นี้มันไม่สุข เมื่อกี้นี่มันไม่สุขถ้าถ้าใช้ทุกคนในที่นี้นะลองทำอะไรดีลองนั่งลองนั่งให้สบายเอาใหม่นะลองนั่งให้สบาย แสดงว่าเมื่อกี้ไม่สบายใช่ไหมเมื่อกี้ไม่สบายใช่ั้มรู้ทันไหม <laughs> ให้ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้เมื่อกี้นี้มีเวทนาอย่างหนึ่งอยู่ไม่รู้พอนั่งแล้วขยับปุ๊บสบายให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้คือเวทนาเปลี่ยนไปเวทนามีอยู่เสมอทางกายก็มีอย่างหนึง่ง ทางใจก็มีอย่างหนึ่งรู้ทันทางกายให้รู้ทันทางกายไปทางกายเด่นให้รู้ทางกายทางใจเด่นให้รู้ทางใจดูอย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆขณะที่เกิดขึ้นนี้สังเกตดูมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะแสดงความจริงของมันคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกที่เห็น อาจจะไม่ถึงประเทืองปัญญาขนาดเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอระหรันต์แต่มันจะเป็นข้อมูลจะเป็นข้อมูลให้จิตดูข้อมูลอย่างนี้ไม่เคยส่งไปหาจิตเราคอยจะส่งแต่ว่าไอ้นี่น่ากินไอ้นี่น่าดูไอ้นี่น่าเป็นเจ้าของไอ้นี่น่าทําลายทิ้งไอ้นี่น่าขับไล่ออกไปออกไปอย่างเงี้เห็นแต่คนอื่นะ นะไม่เห็นว่าตัวเองมีเวทนาอะไรให้ย้อนมาดูสักหน่อยแล้วจะทําอะไรต่อไปก็ทําให้ย้อนมาดูนิดสักหน่อยนะแล้วพัฒนาพัฒนาเวทนาที่เกิดขึ้นจากการมีสติดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจย้อนมาดูบ่อยๆพอจะมีประโยชน์ไหมจเจริญเมตตา ให้เจริญในขณะที่ว่าถ้าเขาจะทำร้ายชีวิตถึงชีวิตเลยแล้วไม่ใช่ตายแบบปุบปับตายด้วยนะเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเนี่ยนะพร ะ, จะเจ้าสอนเน้นขนาดนี้เลยนะถึงแม้ท่านจะสอนพระแต่เราได้รับฟังแล้วเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพูทธบริษัทนียพระองค์สอนแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือฝึกฝึกให้ได้ เมตตาต้องเป็นเมตตาที่เข้มแข็งจริงๆนะไม่เอาความชั่วไปชนะความชั่วจะเอาความดีไปชนะความชั่วนะเวลามองความชั่วอย่าไปมองบุคคลมองการกระทาว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีถ้ามีลูกหลานชี้ให้ดูว่าอย่าทาอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันจะมีวงจรของ วงจรของคนเนี่ยอายุยืนบ้างอายุสั้นบ้างเป็นวงจรนะชีวิตนิชาติเดียวเนี่ยดูไม่ออกแต่พระเจ้าเนี่ยทรงระลึกชาติได้ทรงรู้ว่าคนเนี่ยเคยมีชีวิตเป็นแสนแสนปีแล้วพอทาผิดผิดศีลธรรมะเริ่มน้อยลงชีวิตน้อยลง ผิดศีลมากขึ้นชีวิตน้อยลงผิดศีลมากขึ้นชีวิตน้อยลงมีอาธรรมมากขึ้นในสังคมชีวิตสั้นลงสั้นลงสั้นลงเคยจากแสนปีเป็นหมื่นจากหมื่นเหลือพันจากพันเหลือเป็นร้อยยุคนี้หมายถึงเมื่อสองพันกว่าปีก่อนอายุขของคนประมาณร้อยปีร้อยปีเนี่ยเป็นยุคที่คนมีกิเลสมาก อธรรมมีมากแต่ธรรมก็ยังมีอยู่ยังมีคนที่ยังรักธรรมะอยู่เป็นยุคที่แย่ที่สุดเท่าที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติได้ถ้าคนมีอาธรรมมากกว่านี้พระพุทธเจ้าจะไม่มาอุบัติเพราะว่าอธรรมมากเกินไปสอนไม่ไหวโลกมันวุ่นวายและร้อนเกินไปไม่มีเวลาหรือไม่มี จิตใจที่จะมาเรียนรรมะคนอายุร้อยปีอธรรมมีมากแต่ก็พอที่จะนำมาสอนให้คนพ้นทุกได้หลังจากพุทธกาลนี้ไปคนจะมีอธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอายุคนจะยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นเรียกอะไรพกผันพกผันกับอธรรมจนคนอายุ ไข10ปีผู้หญิงอายุ5ปีก็ถึงวัยเจริญพันธุ์มีท้องมีท้องนี่ไม่จะเป็นต้องแต่งงานด้วยยุคนั้นแล้วนมันอาจทามากขนาดที่ว่าเด็กไม่ใช่เด็กแล้วนะก็คือคนอายุ5ปีโตพอที่จะมีลูกได้จากนั้นอีกไม่นานจะถึงยุคที่เรียกว่ามิกสันยี มิขสัญญีเคยได้ยินไหมมิฆะแปลว่าเนื้อเนื้อหมายถึงพวกเก้งพวกวกวางพวกนี้สัญญีคือสัญญาสัญญาคือหมายรู้คนจะเห็นคนด้วยกันแล้วหมายรู้ว่าเป็นเนื้อที่ฆ่าได้เหมือนพระราชาเสด็จประพาสป่าแล้วยิงเนื้อตามอำเภอใจหรือในพรานไปในป่า ยิ่งเนื้อตามอำเภอใจคนยุคที่ว่าธรรมะเสื่อมทรามจะมองเห็นคนด้วยกันสมควรฆ่าเหมือนเนื้อยุคนั้นเนี่ยอยู่อีกไม่นานนะหมายถึงว่ายุคนั้นนะไม่ใช่จากนี้อีกไม่นานนะยุคนั้นอีกไม่นานเนี่ยคนก็จะฆ่าฟันกันเหมือนผักปลา มีคนอยู่กลุ่มหนึง่งเห็นโทษภัยของสังคมนั้นอยู่ไม่ได้แล้วสังคมนี้คนอธรรมมันมากเกินไปที่จะไปไปสอนหรือไปพลิกให้คนทั้งหลายกลับมาฟังคนเหล่านั้นจึงเลือกที่จะปลีกตัวเองออกไปอยู่ในป่าน้อยมากน้อยมากท่านเปรียบเหมือนว่าคนทั้งโลกเนี่ยเหลืออยู่แค่สามร่มโพ มาถึงต้นโพต้นใหญ่ๆเนยนะถ้าคนเหล่านั้นมารวมกันเนี่ยมายืนได้ในร่มเงาของต้นโพเนี่ยสามต้นน้อยทั้งโลกนะคนเหล่านั้นออกจากป่ามาหลังจากที่เกิดการฆ่าฟันตายกันหมดนะั่นแหะสลดใจแล้วก็มองด้วยความโหยหาว่า จะมีคนเหลือชีวิตอยู่บ้างไหมจะมีคนมีชีวิตเหลืออยู่บ้างไหมก็เจอไอ้คน ha. ที่หลบในป่าอีกคนออกมาดีใจที่ได้เจอคนดีใจได้เจอคนแล้วก็โผลเข้ากอดกันถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะร่วมอยู่ด้วยกันมีลูกมาก็จะสั่งสอนลูกว่าดูนะสรากบ้านเมืองปราลงหักพังอย่างนี้เพราะอะไร สอนลูกสอนหลานว่ามันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นคนทำอะไรจึงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นและสั่งสอนลูกหลานว่าอย่าทำจงประพฤติดีปฏิบัติดีจงรักเพื่อนโลกชาวโลกด้วยกันรักธรรมชาติจงมีศีลมีธรรมสั่งสอนลูกรุ่นลูกอายุเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าลูกก็สั่งสอนลูกต่อตุ้นไปุ่นไป คนก็อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดํารงรักษาธรรมะชีวิตยิ่งยืนยาวยิ่งยืนยาวจนอายุเป็นแสนพอเริ่มเป็นแสนก็ประมาทเหมือนไม่ตายเหมือนเป็นเทวดาไกลๆก็ประมาทวงจรกลับก็ไปอีกเราก็อย่าให้สังคมเราเสื่อมเร็วนักเราเรีบสั่งสอนลูกหลานของเราก่อน ให้ความรู้ให้ความรู้เขาสิ่งผิดพลาดมีตัวอย่างให้เห็นชี้ให้ดูอย่าทำทำอย่างนี้นะเราอย่าทาอย่างนั้นนะพูดร้ายแม้เจตนาดีแต่พูดแบบมีวจัจจีทุจริตก็ใช้ไม่ได้นะมันมันไล่แขกนะเป็นเฉเฉิญแขกไม่ใช่เรียกแขกมันไล่แขกเราพูดไร้ร้าย คนดีไม่อยากฟังคนที่เป็นคนดีไม่อยากฟังพูดด่ากราดคนดีก็หนีแม้เจตนา ด, ดีแต่วิธีการผิดไม่เอาคนดีก็ก็ไม่เอาฉะ น, น, นั้นพูดต้องดีด้วยเจตนาดีวิธีการต้องดีด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาจริงนะเวลาเราทำอะไรต้องพร้อมทั้ง3อย่างคือคิดดีพูดดีและทำดี ต้องให้พร้อมนะคิดดีแล้วแสดงออกด้วยกายวาจาดีด้วยแสดงออกกายวาจาดีแต่คิดไม่ดีก็ยังใช้ไม่ได้แย่กว่าด้วย <c oughs> นะต้องเริ่มจากคิดดีก่อนนั้นะนะอยู่ในยุคนี้นะยิ่งยากยิ่งได้ฝึก <c oughs> ยิ่งยากยิ่งได้ฝึกนะฝึกได้ดีจะได้รับได้รับผลดีนะ พอเข้าใจมั้ย